วันนั้นมาต้องปล่อยกันมาป่วยรุ่นที่สี่ไม่ไวมันแน่ตอนนี้ล้มบ่อนก่อมันไม่ได้ไปทัพตลอดปีขั้นห้ามันวนี้ไม่ดีมันวลสสีมั้งขั้นห้าข้อเลสสูงนี่มันมันห้าไม่กันแต่มันห้าไลยสมบูรณ์มันห้าสองสอง เออเดีคย่ปลืมสั้เอาปลาใช่ไหมเดี๋ยวน้าไม่พอจรเดี๋ยว้เจ๊เดินมาอาบนว่ึเออลงมาดันดังอ้าวจงจังเออ ฮะไม่ซุ้มคือล่างนะคะแล้วก็จับก็รอโอ้โอ้โอ้โอ้โยมร้อนดีไหมที่เนี่ย ไมถ้าไฟในโลกนะรู้ไหมในโล ก, กันร้ขนาดไหนไช่ลองลองมือเิอก็ได้รู้ใช่ไหมเเอาลงเลยเเอาจริงไหมไม่ไม่อ้เรานะนะนะนะไม่ลองนะเอาจริงยดิฟยไฟนกไม่รู้ว่าร้อนเท่าไหร่ ก็บอกห็นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าคนเดินห่างยอดหนึ่งตาเสียหละแตกแม่ว่าไม่เอาต า, าแตกมาแตกฉัก็ไม่เอาด้วยง่ายแล้วไฟทูบนิดเดียวไฟก็นบุรีทำไมไหวใช่ไหมมันร้อนจน่ระทั่งเขาจนเนื้อกระดูกแดงเอสเปนนที่มันเก่งนะ เห็นกระดูกแดงชอด่อจำเนียรวิ่งได้มันมีสภาพเป็นห น, นึ่งนรกไอ้แดนที่ก็าลงโทษเนี่ก็ขาลงโทษจริงๆเรื่ามันไม่มีคำวมาหยุดร้อนไม่มีคำวมาตายไม่มีคำว่าไม่รู้สึกนะนี่ใครอยากจะอยู่ห้ ส, สบายสบายมีคติแบบเดียวเขาอยู่นรก นีระยะครับเรามีส่ความร้อนแต่ว่านรกเย็นก็มีถ้าอยากอยู่แอก็ไปอยู่โลกร้อนรกเย็นเชียบนะไม่ต้อเสียตังค์ข้าวปลาแายให้ไปโยม ไ ม, ไไม่ไม่เอาทุกอย่างเอ อ, อตามลง่อไปตาไปไหนดี่ยมั้เออดีอ๋วเดี๋ดูห้หนนะถ้าไม่เดินตามไปเงโคตรตีเลยเ อ, อไไะเป็นไงเจริกำลัทานน้นร้อนกับเจริงลมานตอนนี้ันลมเป็นไง มีความรู้สึกไหมนกันนหมใช่ไม่ได้ร้อนหรือไม่ร้อนต้องมีความรู้สึกเหมือนกันในทุกสุขเมื่อกี้ใค้พอู้่นภาพไปไปมไมทำภาพเลยได้บอกมปอนมันเข้ากันหลถ้าร้อนเขาว่ารา่ ย, ยาวจริงๆนะร้อนหรือหนาวเกินไปนรา่ยยาวไมายใช่ไหมใช่บุกถาบเดี่ยวยาว ที่มีเมยู่ถ้าถ้าปกติใช้ระยยาวอยู่ไหนที่โซ่ ล, ล่อทั้งหมดนั่นแหละคกิว่าผิดและไม่รู้ร้อนหรือเยนอกอกไแล้วก็ทำาบนั้นจริงๆนะถ้าเวลาปกติภาวนาสั้นถ้ามเกิดอาการเครียดเข้มาทางกาย อันจะเป็นปวด<ม>เกินไปเมื่อยเกินไป่วาร้อยเกินไปยิงเกินไปก็ตามให้ร้า ย, ยาวหมายว่าใช่บทยาวให้บทยาวมันไม่ต้องระวังทุกข้อคำใช่ไหมไอ้จิตมันก็ไปอยู่ในตที่ระวังทุกข้อยคําเนี่ยมันก็จะลืมเหมือนกับเราดูหนังลูรีเกดูละครไอ้ผู้นอกสนุกสนุกอะย้ำเงานวัด ได้ก so ok <giving> ็ร้อนยืนก็เมื่อยไม่รู้สึกฮาฮะระแม่ไม่ยกดอะไรเลยใช่หออกมาเือรเซียงไม่รู้สึก้วร้อนเลยนี่เหมือนกันมันก็ป็นสมาธิจิตมันจับจุดจุดเดียวอ่ะเอกขัตตารมณแต่มันเป็นสมาธิมรศส สมาธิมันมีในที่ทุกสถานเนี่ยเราทํางานเรากินข้าวแล้วนั่งขี่ล้วนั่งเดี่ยวเราทละกเมียแล้วก็เรากินข้าวอยู่เรารู้ว่กินข้าวไอ้ที่เรากินข้าวเนี่ยเรารู้ว่านี่ข้าวอันนี้กับข้าวนี่แกงนี่ผัดอันนี้มันเป็นสมาธิสมาธิมันมีในที่ทุกสถานทํางานทุกอย่างมันมีสมาธิแต่ว่าสมาธิประเภทนั้นมันไม่เป็นปัจจัยการชิ่นทุกใช่ไหม จะเริร่มเรยจะให้รวบรวงกำลังสมาธิอันนั้นแหละมาใช่ทางหนึ่งให้มันถึงทางสินทุกขอันเหมือนก็เรามีเงินเงินนั่นเรามีแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เงินให้เป็นประโยชน์เงินมีมา ก, มากๆเใช้รู้ช่วยแชกไอ้ข้าวที่บ้านกินอิ่มประมาณห้าบายก็โน่นไปกินข้าวจานละห้าสิบบาทไม่อิ่มใช้ใช่หรืนเรื่ง อันนี้ก็เลยบอกเอามาใช้ให้มันเป็นเรื่องเลยนะไอ้เรื่องนี้ก็ให้มันเหลือใช้ด้วไม่ไม่มันพอยช้มาจริอ่ะถ้าใช้เฉพาะกิจในมันพอไอ้ที่ไม่พอเนี่มันไปใช้เรื่องอื่นอ่ะเห็นไหมผไม่ถูกข้าที่บ้านมีกินไม่อร่อยเนาะไปกินร้านเจ๊ไอ้ร้านเจ๊ก็เนื้อวิ่งไม่พีมิตริชงริ่งมาอะไร fc โกด้20บาทนันกินเขาไได้สำหรับคนที่เจริญนรรมดีในด้านมนมทธือาทเี่ยวในด้านต่างๆและจะสั่งให้ไปใช้ในด้าน้เขอ๋เร็วกว่าให้เขาไปเที่ยวเนี่ยเขาเขาไม่ไปเที่ยวกันนะเขาฝึกไว้เพื่อการศึกษา จะทาอะไรถ้าเราไปได้แล้วก็ไปหาท้าถึงเที่ยวส่งเดชไม่ได้เกิดประโยชน์ไอเที่ยวไปโน่นไปนี่ไปดูนั่นดูนี่นี่มันไม่ใช่เรื่องแต่ว่าถ้าเราสงสัยแล้วก็ไปดูสนมากคิดกันได้กันจริงๆมันก็ยะมีท่องเที่ยวกันอยู่ชั่วระยะแรกช่วระยะแรกเที่ยวอะไรเที่ยวเพื่อป้องกันการสงสัยที่พระพุทธเจ้าเมรุคมีจริงเกิดมีจริงอสุรกายมีจริง เอว ด, ดามีจริงพร ม, มีจริงมันมีหรือเล่าใช่ไหมถ้าเราเห็นว่ามีจริงเขาเลิกแล้วเขาไม่เอาแล้วแต่อยากจะไปตรวคนนั้นให้ดู้ใหคนนี้อะไรน่เขาไม่เอาเขาไม่ได้ใช่ไหมเขาใช้เพื่อทําตนให้คนทุกขเข้าสิวิพานธ์เร็วเข้าแล้วว่ากำลังมนุษย์ที่มันบอกถ้ากําลังเราอยู่แค่ไหนกําลังท้าเราอยู่แค่กาม เราสวรรค์ไหมก็จะไปได้จะเกาะกามาวิาจรสวรรค์แล้วแดงเพราเราอยู่ที่ไหนถ้าเราทํามโนยิ่ที่ได้แล้วก็รู้ไอ้บุญที่เราทําเนี่ยอิมานมันอยู่แล้วเราก็ไปดูอิมานเราในแดนสวรรค์พบแล้วเข้าไปได้ไหมถ้าเข้าไม่ได้ก็แสดงยังอ่อนอยู่ต้องพยายามทําให้เข้าให้ได้ พอเข้าไปในวิมานได้แล้วไอ้กายที่มันไปในที่ยวแรกมันก็ยังเหมือนนุ่งกางเกงใส่เสื้อแบบนี้อันดับแรกทื่ว่าสมาธิมันยังต่าอยู่เท้ยพอเข้าไปในเขตวิมานภาพมันญะเป็นสภาพทันตีสภาพของเทวดานามฟ้าเป็นยังไงมันจะเป็นภาพนั้นตั้งกํำลังบุญของเราอันนี้ก็แสดงว่าเรามั่นใจได้แนะว่าวิมานเรานี่ยมันอยู่ได้แนะ เราก็จะต้องดูอิมานหลังอื่นต่อไปเพราิมานหลังอื่นที่ก็สวยวมื่าไหร่มันมีไหมข้าสวสางกว่าพระเจ้าอุปการในเขาดูแสงสว่างเราขึ้นไปมันก็มีแสงสว่างเพราะเราไม่เดาไกลเนื้อปะให้ได้มันเป็นกายทิพย์มนก็เป็นกายก็คือวนไดา้สารสวางเราเท่าเขาไหมแต่เราไม่เท่าเขาแล้วก็ไปถามของผู้เขาเอาแบบรอบๆง่ายๆเนะี่ย ก็เลถามเขาว่าทําไมเขายังมีรัศมีกายสว่างกว่าเราเขาบอกไม่ไม่บอกไม่ใช่เับกิดเขาบอกเขาบอกแล้วเขามาแก้ไขนิดเดียวแก้ไขาตามที่เขาบอกไม่ช้ารัศมีกต่ไม่มีวันอย่างมาสองสามวันเหลี่ยวมารัศมีสุกายสว่างเท่าเขานี่มันเท่าเขาหมดแล้วดีวยวในดาวดึงนมว่าในทุกทุกชัยของการมาวาจารสวรรค์เราสา ม, มารถลองเกี่วเวลาวิมานมันก็ดีขึ้น เราก็มีกําลังไหมมีกําลังไปพรมได้หรือเปล่ถ้าเรามีกําลังไปพรมได้วิมานของเราก็อยู่ที่ตรงไอ น, นี้มานที่เทวดาดาวดวนก็หายไปน่าีถ้าไปเป็นพรมได้ก็ปรับปรุงตัวความเป็นพรมให้มันเท่ากับพรมชั้นดีไม่อยากเลยเขาบอกมาแล้วก็ทําไม่กี่วันก็เป็ด้ต่อไปก็ไปนิพพาน แล้วขึ้นไปได้เขตที่พานได้ไหยถ้าขึ้นไปได้อย่างคนไม่มีแรงนี้แสดงว่าใช่ไม่ได้แต่ว่าต้องมาตอบตัวเราแต่ว่าวิธีที่เขาจะใช่กันจริงๆเนี่ยเขาไม่ไปถามเทวดาแล้วถามพรมเนี่ยมาขึ้นไปอันดับแรกต้องเข้าจุฬามณีไปไหว้จ้าก่อนถ้าไปไหว้พระนี่ถ้าว่าเรายังมีอารมณ์ เนี่ว่าเรายังหย่อนจุดไหนท่านอยบอกจุดนั้นเป็นจุดๆเพื่อปรับปรุงตัวเราให้ดีขึ้นอันนี้นะคราบังเอิญเราขึ้นปฏิพันธ์ได้มันกาลังไม่ดีเราหาท่านท่านนี้ก็จะบอกแก้ไขจุดนั้นนะแก้ไขจุดนี้นมันจะพ่อ ja จุดมาเลยแต่นหนเขาว่าปรับปรุงเข้าถึงนิพพานในสบายเดิในสบายเนี่ยเดินเขตนิพพานในสบายเข้าอิมานเราได้ไหม ข้าที่เราได้หรือเปล่าถ้ามันกําลังไม่ดีจริงๆก็ทําไม่ได้เมื่อเข้ามนได้แล้วก็มาถามพระพระเธอบอกหาทางแก้ไขปรับปรุงได้ดีแล้วเข้าไปได้อเข้าไปในเขตได้เข้าไปตัวอาคานได้จะไปนั่งบนแท่นได้หรือเปล่านี่ถ้าจะนั่งแท่นไว้ได้ก็ต้องกลัมาถามท่นใหม่จนกทั่งเราสามารถจะเข้าไปนั่งเล่นนอนเล่นได้ตามสบายตามอัธยาศัยเหมือนกับบ้านที่เราอยู่ อันนี้แสดงว่ากําลังขี่ชั้นเราเต็ ม, ม, รมรอรมณ์พุนิพานธ์คําว่าเต็มอรมณ์ที่เข้าพุนิพาน์ได้ข้าเป็นเพืวาดยังเป็นผู้หญุ่มบทไม่ได้จะยังไม่ใช่ราารพระอรหันต์คือถ้าเป็นพระอรหันต์วันนี้มัต้องตายคงนี้อันนี้ว่าเจ็ดวันเจ็ดวันนี้เห็นเทพจะทรงเดืดใสไม่เห็นใครว่าอยู่บนเจ็ดวันตามรัสูตรมีเยอะ มันได้ระหันวันนี้คารว่าอพระพุทธเจ้าบวชพระพุทธเจ้าพิจารณาแล้วว่าคนนี้ไม่เคยถวายผ้าตรายีวอนไว้ในเขตพระพุทธศาสนาถ้าทรงตับว่าเอหิวิปุกก็จะไม่มีผ้าตรายีวอนที่ท่ไม่ได้ริตรองตัวแต่กันบอกว่าเอาถ้าเธออยากจะบวชเธอก็ไปหาผ้ามาถ้ามีผ้าจะหาก็จะบวชให้ ไว้สุดเดินไปเดินมาถูกนางยักษณีแปลงมันเรือบัวไม่ต้องการตายหมดไอ้นั่นเครื่อนางยักษณีทำเพราะว่านางยักษณีเนี่ยเขาไม่มีบาปเพราะขันห้าของร่างกายพระระวาดไม่สามารถจะโสงความเวลาหันได้ให้ไม่นําก็ต้องตายที่สมมติว่าถ้ากําลังใจของเราเข้าสามารถจะเข้าไปในเขตที่มาในเขตนิพพานไปได้แบบสบาย แล้วเวลาเข้าถึงเขตจนเราสภาพของเราเหมือนกับท่านที่อยู่ที่นี่ผ่า น, นเหมือนกันทุกอยาก่างแต่มันจะมีต่างกันอยู่นิดที่ว่าความต่องไไม่เท่าทันอันยิงเยาอย่างชนิดไม่ก็หมายความว่าจิตเราเข้าถึงอรหัตมรัคอรหัตมรักษ์จะยังไม่ตายถ้าที่เวลาหมตอยุไขแม่ว่าเข้าถึงอรหัตผล ถ็เข้าถึงนอาจจะผลวันนี้พวกนี้มัดับมันหมดไปอยู่ใครถ้าไปในทางได้เมืม่อพวกฝึกมโนยิธีแล้ส่วนใหญ่เมื่อที่ฟังฟังกันใช้ไม่ถูกเลยเขาไม่ได้ฝุดไปให้ไปอดดีอดเด่นเขาฝึกเพื่อเป็นการฝึกฝนตัวเองเป็นการปรับปรุงตัวเองย้งย่ตัวเองเย้ย่าทําเข้าเร็วเข้า ท, ทําถึงจุดหมายปลายทางใช่ัหม นี่ฟังฟังแล้วก็ไปโน่นบางไปนี่บางทะเลถลายไปไม่ช้าก็พังเศก์ไม่ช้าละไอตัวที่ไปโน่นได้นี่ได้มันก็จะเกิดคิดว่าฉันเนี่ยดีกว่าใครทั้งหมดใครช่วฉันไม่ได้ลราคิดตัวนี้ขึ้นมามันเป็นตัวมนะรณะกิเลสเราเกิดเสียถลายตัวตัวหลายตัวไหนสลายตอนที่อุปาทานกินเจง๊ง แค่พูดเรียเขาไปได้ของช่องแล้วไปถามเขาไปถามที่ไหนเนี่ยรู้หมดแต่ความจริห้ไปถ้าไม่ไปเพราะจิตเราเข้าถึงมโนที่เขาถามจุดไหนมันไหนไม่ได้เห็นจุดนั้น ท, ทันทีมันไม่จําเป็นต้องไปไม่ต้องไปพูดอยู่จุดที่ไปจริงๆก็คือหนึ่งอันดับแรกเข้าไปพระจุลมณีก่อนไปรับโอวาจาพระพุทธเจ้าเขาต้องการแค่นี้ เมื่อรับโอวาทเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงมาปฏิบัติให้เป็นไปตาม น, นั้นถ้ากําลังเราสามารถเข้าถึงนิญญานได้ออกจากจุฬามนีก็ปฏิบัติเข้าจุดที่ที่เราอยู่ให้ชิตใจสบายถ้าเข้าไปแล้วมันก็สบายทุกอย่างอารมณ์หนักไม่มีมันมีแต่ความเบาใชไหมไอคำว่านักนิดหนึ่งคําว่าไม่พอใจนิดหนึ่ง เรกว่าไปเรื่องความหนักใจทั้งหมดนันไม่มีแดนนั้ น, นมีความเยือเกเย็นเป็นสุขแบบเบาเบาไม่สัมผัสอะไรทั้งหมดก็เกิดความสุขถ้าหากเราไปในแดนนั้นได้แล้วก็ไปสมัสมัวไอ้จิตมันก็จับจิสุดนั้ น, นถ้าเร า, เราเป็นมนุษย์ถ้าเราได้มโนยิทธิหรือได้ทิจุกุญาณเราเห็นเทวดาแล้วก็ไม่อยากมองมนุษย์ไอ้ช่วงของเทวดาเนี่ยมันดีดีกว่าพราะเจ้าวางเยอะ เทวดามีส้มเปล่านะเทวดาที่ได้พอเราตายไปแถวๆนั้นบนออหอก้อนโตภูเขามีเทวดาชั้นเล็กที่สุดที่คนมักจะพูดกันว่าเป็นเทวดาที่มีดุนน้อยก็คืออุมาเทวดาอุมาเทวดาในเขามีวิมานอยู่ภาท่าปืนดิ วิมาเนี่ยอยู่กับพื้นดินเขมบนน้อยมากแต่ว่าวิมายเขาพระมเทวดาเนี่ยดีกว่าพระราษฎรเยอะเห็นไ้มตัวเกาก็ดีกว่าวิมานเกากาดีกว่าดีพ่ออย่างยิ่งการเกิดเป็นเทวดาหรือการเกิดเป็นสรมมันไม่มีฐานห่านี่ไอ้รูปที่เราเห็นขึ้ที่เขาเรียกว่านา ม, มาทังก็คือรูปในนะ้ำนามมันก็มีรูปทั้งมัน มันก็มันมีภาพสีมันไม่มีท่าที่มันมีสภาพของีวิตตเกิดวันไหนเขาก็อย่างสภาพอยู่อย่างที่โยธตายแก่ไม่มีป่วยมมมการป่วยการมืยแต่มันไม่มีท่องหมดสบายกว่าเยอะเนี่ยโยบเดาหางแถวก็ดีกว่ามนุษย์แถวเนี่ยไว้ใจหัวที่ตั้งป่วยเป็นแน ต umas, mm ัต้อนี้ไม่เดียวเหมือนเราใช่ไหมที่มันลุกแถวๆเลยใจให้หมดให้ยาวเป็นเทวดาว้เนี่ยใ้ยาวเป็นเทวดาไปซื้อหัวเทวดาใส่อทย่างเงี้ซื้อหมวกใส่ลูเียนหน้าหมวกเทวดาเห็นาอ๋อเทวดามาแล้วใช่ ให้เขียนให้เต็มเลยหมดเทวดามาแล้วให้อ่านอ๋อเทวดามาแล้วเทวดามาเป็นแล้วก็ไม่เทวดานี่ยเห็นคนพูดตําหนิพระภูมิอยูเรืยๆนั่นเลยสงสารครับภูมิแล้วภูมิเทวดาภูมินางเทวดานางสัตตางคตวานเขาเป็นภูมิมเทวดาได้แต่เราแย้งคิดว่าเราดีคนภูมิมเทวดานั้นมันยังไม่ได้ เพราะเรายัางไม่ใธรรมดาตจคิดว่าบุญญาธิการนี้เราทำมากกว่าภูมิธรรมดาจะแน่หรือว่าเราตายแล้วจะไม่ไปนรกถ้าเรายังไม่ได้ไประสดาบันใช่ไหมทุกคนถ้ายังไม่ถึงประสดาบันยาท่านองตนนนัจนไม่ไมจะไปนรกไม่มีทางยัง็นังมณีกาเป็นคนดีแสนดี ดีก็ดีมากมีศรัทธามากการให้ทานก็เคียงบาเยียงไหลกลังในสาขาเหมาบาซิคเพียงเวลาจะตายจิตเศมองนิดก็เท่าไปกระทบการเท่าภาษามีเขา่าถ้าคืมไม่คนคนไม่เคยทําความชัว่วอารมณ์เท่านี้ก็ทําใจเศร้มองความชั่วอย่างนี้ไม่เคยมีสําหรับเราเกิดอารมณ์สศร้หมองนิดเดียว นิดตายไปแต่งตัวเหมือนนางฟ้าทุกอย่างหมดเทาไอ้ขาข้างกระทบขาเท้าสามมีนะ่ะเนี่ยแย่ในนรกเจ็ดวันเยห็นไหมดังนี้ทําว่าคนเราถ้าหากว่าจะทำตนให้พ้นจากบาเยกมจริงๆก็ต้องตั้งหน้าต่างตา ทำตนให้เข้าสังข์พัเป็นสายเรียเจ้ า, าเป็นมาสซนาพันในการทีะเป็นมสโนาสีทาคานาคาละหันเลยถ้าพวกที่เขาได้ทิพย์ยุค ย, ยานก็ดีพระดำมโนวิธีก็ดีถ้าเขาใช้เป็นเข้าไปได้เร็วมากแต่ว่าถ้าใช้ไม่เป็นจะสู้พวกเราไม่ได้เราถ้าลงตนเถิดจนเดียวพังแล้วลนรกไง อย่างว่าทวทัตมีที่ต่อเอิญเลยกานห่อไปหอมาห่อลงนรกกันเล ย, อออลลลเลยตองไปจีไปใช่ไหมผูีศึกษาในด้านนี้จะต้องรู้ว่าเขาไม่ไหวฝึกเพื่อทําตนให้หมดจีเลยไม่ใช่ฝึกไว้วื่อเที่ยวเพื่อความสนุกไอเที่ยวนะเนีขาเที่ยวเพื่อการศึกษาไม่ใช่เพื่อสนุกอย่างลงไปใ น, นนรกเนี่ย ไปถามเขาว่ามันเปทำกรรมอะไรจึงมามาลกแล้วก็ไปสอบเขาด้วยเอ้คุมนี่คุมนี่คุ้มนี่ฉันเคยมามากล้วมาแล้วกี่ครั้งแต่และครั้งทําอะไรเจึมามันจะได้สอนตัวเองเขาไปกันอย่างนั้นนหละไม่ใช่ไปในฐานะเป็นผู้แทในใครแต่ใครในใครี่พ่อฉันตายไปอยู่ที่ไหนแม่ฉันตายอย่ถ้าไปแบบนั้นจะเสร็จไม่ได้อยู่ ไม่ใช่เราเสียเพราะว่านานาเข้ามีคนยกยองนานาเข้าเขชักเริ่มทีม่ตัวดีคิดว่าตัวดีมาไหล่ก็เร็วเมี่อนีเขาต้องฝึกไปอย่างเดียวถ้าได้มโนยิทศิแล้วมโนยิทธิมันก็ดีอย่างริอว่าดูกายข้าใสตอไหมมันเล่นจับไปทำไมเขาไม่ไปดูชาว บ, บ้านนะเขาดูตัวเอง แต่ว่ากายเส่เราไปได้ถึงไหนเราไปได้ถึงไหนจิตอาสาคี่แน่นอนไหมแล้วก็ไอ้ ก, กรรมบางอย่างคือความประพฤติบางอย่างที่มันขัดกับอารมณ์ที่จะไปอยู่ที่ไห น, นเราทำหรือเปล่าถ้าเราทําอ้ทีมานี่ยมันคอยอยแน่แต่แตเราตอนเราก็ลงมาล ก, ก่อนใช่หไหมนี่เขาเนี่ยต้องพยายามฝึกผลตัวเองไม่ยอมให้ทางคามชั่วทุกอย่างที่มันเป็นภยัยทาลายความดี เท่าว่าเรามาพูดกันพวกนัดด้นศึกษาทิอีกอุญญาณเมื่อศึกษาทิพย์อยญาณนี้เขาศสกษใ ห, ใหม่ก็ตรวจทุกพบเหมือนกันเรานั่งอยู่ตรง น, นี้เราสามารถจะคุยกับสัตว์นรกันใดกับเปีศาจไ ด, ได้สุรกระายคนใดคุยกับเทวดาคนไดคุยกับปู่คนไดทุกอย่างที่เราเห็นมันเห็นใกล้ไม่เห็นไกลเมื่อสภาพมันเป็นทิพย์ นี่พอได้ที่จักรยานแล้วเขาก็ต้องดูตัวเวลานี้วิมานเราอยู่ที่ไหนถ้าวิมานเาอยู่ที่เทวดาแล้วก็บอกมันไม่ไหวแย่ใช่ไหมแย่ตรงไหนแค่เทวด า, าดีอไง ไ, ไปพรมดีกว่าถ้าเห็นพรมแล้วก็เหยียดเทวดาถ้าเห็นเทวดาแล้วก็ไม่อยากมองมนุษย์ถ้เห็นพรมล้วก็ไม่อยากมองเทวดาพวกพรมก็ดีกว่าสงัดกว่า ถ้าเราเห็นน no ี <bum comments> <istan> ่ผ mm ่านได้เราก็ไ <el> ม่อยากมองตลงนี่จุดที่เราจะไปเราไปไหนแล้วก็ต้องฟันการปฏิภานสําหรับผู้ที่เรียนศึกษาจิตวิุญานเนี่ยมันจะต้องได้ยานแปกอย่างเป็นหนึ่จิตวญานเห็นผีเห็นนี่บรรดาเห็นนี่โลสวรรค์สองปิตปาญญาณรู้ว่าที่มันนั่งกับล้อเนี่ยก่อนจะมามาจากไหนใช่ไหม ไม่ต้องเห็นหน้าแล้วเขาได้ยินชื่อก็รู้แล้วเขได้จูตัวบาปาริยาเนี่ยรู้เพียงแค่เขาได้ยินชื่อพรบถ้าเขาอยากจะรู้ว่าเจ้านี่ก่อนจะเกิดมาจากไหนเขานู้ทันทีเวลาตายแล้วไปอยู่ที่ไหนไม่เขาจะรู้แน่นอนนี่ต่อมาก็เป็นเจโตบปริยานที่ตัวนี้่สำคัญ เป็นเจโตหรือยียานุวัรนันจิท้องตนหรือวรนันจิท้องคนอื่นก็มีกิเลสอะไรบ้างปุเพนิวาสานิปติยานหรือชาติได้ถอยหลังช่ายกับไปเกิดมาแล้วผลอะไรเมื่อกี้เกียรถอยถอไปท้ายมันเกียรเมื่อถอยไปหนึ่งสองสามสี่ห้าจนร้อยพันหนึ่งแสักเนือยพอคล่องตัวเสร็จแล้วม่นต้องการจรู้ว่าเกิดมาอะไรเมื่อไรจุดไหนเพาครนี้ได้ทันที ได้บารมีข้อแล้วอาจารย์เวลาอาายากเรียนศีต้องเป็นตัวแบบไม่จะเป็นนะต้องข้องแล้วใช่ไหมถ้าเรไดนใหม่มามเอนีสระเอตกอีอนะ่ะนั่นเหรออ่านว่าเกอต้องไลทีละหน่อยใช่ไหมเวลานี้เราไม่จะเป็นเพราันข้องแล้วก็เหมือนกันแบบพูดแ ล, ล้วรกชาติได้เหมือนกันอตีตามขยานรู้เหการณแน่ดีทั้งคนและสถานที่ อนาคตตาสัญญาณรูปปัจจุบันนี้ใครอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่ถั้งนรกทั้งสรวรรค์ทั้งมนุษย์อนาคตตาสัญญานรู้เหตุการณ์ล่วหน้าไปว่าคนนี้ถาา้าทําความดีขนาดนี้ต า, ายแล้วจะไปไหหรือว่าสถานที่นี้ต่ อ, ต อ, ตอนี้ต่ออย่างนี้ไปมันจะเป็นยางไงเมถากรรมบุตายานเราจะรู้ได้ทันทีว่าคนที่ตายไปแล้วมีการุาึกและการทดสอบ เมื่อคนที่อยู่ไม่อยู่ปัจจุบันมีความสุขหรือความทุกขามีกรรมอะไรเป็นปัจจัยที่พระราชาที่จุติยานนะมันได้ยานแปดอย่างได้ยานแปดอย่าง น, น, นี้เขาใช้กันน้อยเขาใช้กันมากอยู่อย่างเดียวคือเจโตวุริยญาณใ้เจโตวุริยญา น, นี้เขาไม่ดูใจใครเขาดูใจเขาเอง ใจนี่มีสีหกสีแต่โดยย่อแล้วก็มีสามสีคือสีใสขาวใสเบ่งแก้วกับสีแดงกับสีดำนี่ทาว่าถ้าแยกเป็นหกมัก็แยกพวกนี้มันมัมมวๆได้ชัดเจนแค่นั้นถ้ามีใสสีใสเบงแก้วคือเป็นเป็นจิตกระกอบอรมเบีขาอันนี้เป็นอารมณ์ของชางสี ถ้าจิตมีสีแดงมากหรือน้อยก็แสดงว่าจิตเรามีความพอใจดีใจพร้อมอย่างเอิดใดเอิดหนึ่งที่มันเป็นโลภีวิสยัยถ้าจิตมีสีดำหรือสีหมัจิตก็เป็นโทษตอนนี้เวลาที่เขาได้เจตัวก็ได้ย า, ยานเขาจะต้องพยายามตื่นขึ้นเช้าพอตื่นอย่านอนพับที่จะต้องพยายามจักองค์ดูจิตของเขาว่ามันมีสีอะไรหรือเ ถ้ามีสีแดงสนิดและมัวสนอยเขาจะทำหนิทันทีว่าจิตเป็นเลพยายามหาทางขับกำลังไอสีนั้มันบอกไปแล้วน่าเขาสมาธิเ่องท่ากิจใสสว่างลีสบายวันนั้นมันจะมีความสุขตลอดวันเพืออารมณ์กระทบกระทั่งเนี่ยมันกระทบมันก็รู้กระทบแต่มันเบาเต็มทีกับเ่มีความรู้สึกจิตใจมันจะสุด น้นเมื่อจิตใจเป็นสุขเหตุนั้นมันก็ต้องรักษาอารมณ์นั้นมาตลอดถ้ารักษ า, าได้แค่อารมณ์ใสนั่นเป็นชานสีชานสีตันนี้ตายตายตายเป็นโทมตัวนี้แล้วก็ไปดูถ้าเราได้แค่ชานโลคีแล้วก็ไม่ดูพาเลาเมืกั การได้เจตวิญญาณเนี่ยถ้าเราจะรู้ว่าใครเขาได้ชั้นไหนนี่มันต้องเราได้ถึงถ้าเราได้เรารู้ถึงเราได้ถึงไหนเรารู้กแค่นั้นถ้า่าคนนี้ก็ได้สูงกว่านี่เราไม่รู้มองไปดูแล้วกันแต่มันมืดรู้ไม่ได้ไม่ใช่มีสีทาไมจะมีสีสายสีแดงสีดำ ม, มันแสงน้อมืดเลย เขาหมดเลยก็จะรู้ได้เลยว่าคนนี้เขาสูงแบบนั้นแค่ว่าเราได้ชั้นไหนเรารู้ชั้นนั้นอันนี้ต่อไปถ้าเราได้เจตวุล ย, ยานถ้าจิตมันใสเป็นปกติมันเป็นกําลังขั้นสี่ถ้าเป็นกําลังขั้นสี่ปัญญามัน เ, เกิดให้ตัวปัญญาเนี่ยถ้ามันเกิดด้วยได้เขาสมาธิมันเป็นปัญญาที่แน่นอนกําลังตั้กิเลไม่ช้ามันก็เริ่มตั้กิเลส ถ้าจิตมีอารมณ์ใสแค่นั้นเขาตอนนี้เขาเล่นขลงย่อยอยู่แล้วนี่เขาไม่ดูอื่นไม่ไปที่นั่งถามําหนับตำรามีบางคนถามไม่นั่นแปอย่างนี่แปลโอ้ถามสัตวถามแสงถามอะไรพวกนี้สนุกขน้ดนั้นจริงๆโยมเคยมีถามมา่อยถามภาษาเป็นภาษาเบรียเหน่ยนี่เนี่ยนั่นสงสัยบอกถามถามทำไม ว่าอยากจะรู้อยากรู N, ้แบบนี้ก็ลงในรถไปใกล้คนมันเสืยบเห็นไหมล่ะไปรูมทำหอกขึ้นมามันก็ควรจะรู้ว่าไอ้สังโยสิทธิ์เราตัดอะไรได้บ้างเขาเรียนเข้ามาในเขาเรียนมหาจุกใกล้ทไม่ขยายไปไกลหรอกไอ้คนที่เก่งดาราระยมเขียนเมืก่อนเลยเลยนะล๊อ รู้ไอ้หนังร้ไอ้นีรนน่รู้ไอ้นอนแม้ใช้ทับใช้แสงสูดรนันไหวอย่างงั้นสูตนี้ไหวอย่างนี้นสูตรนอนไหวอย่างงู้นเ้อยหนอนอ้อยนีนยนนยนน่มันเอาอะไรไม่ได้เลยแต่คนนี้เขาได้จริงๆเขาไม่ไปพูดมากอันดับแรกจิตตักขยะพูดถึงเรื่องพุทธรามาบัไอชาญมาบัเนี่ยเรามาส่งอยู่แค่ไหนแต่พูดถึงชาญเนี่มันยังต่งําต็มที ยังเป็นเหยื่อเามาลกัพอเริมชัยข่อทรงตัวเขาจะพูก็เรื่องสัรโยติเศรษฐกยจที่เร่างกายไม่ถือเราไม่ถือพวกเราไม่มีในร่างกายเร่างกายไม่มีในเราวิจิตรช้าเราไม่สงสัยในคาสอนของพระพุทธเจ้าไอการที่จะ